ลำดับตอนนี้ไปก็มาปรารบกันเน่งเรื่องกระสินต่อไปรว่าการเจริญสมาบัติแปดต้องมีกระสินเป็นพื้นฐานแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กระสินหลายๆอย่างใช้กระสินอย่างเดียวพอตามที่กล่าวมาแล้วแล้วกระสินกองใดก็ตามมีสภาพเหมือนกันหมด มันแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะของกสิณเท่านั้นแต่ทว่าอาการของกสิณทั้งหมดมีสภาพเหมือนกันท่านอย่าเลือกฝึก ด, ด้วตามอธิยาศัยมาถึงตอนนี้ปรากฏว่าลงทางผงแล้วคำว่ า, าลงทางผงก็หมายความว่าเขาก่อนเหมือนกับเราเดินทางมาจากในทุ่ง เรื่อพื้นที่นาที่เต็ไมไปพื้นขุ่นขระระยะที่สองมามันก็เดินทางลูกลังตอนนี้เริ่มเข้าถนนลาดยางตอนนี้เข้าถนนราดยางนี่ก็ต้องมีความระมัดระวงังถ้ามันมีความสําคัญอยู่สี่ระดับเมื่อภาพเกลสินมีภาพเป็นประกลายพลิกแรพราวามองมาเป็นระยะ จับแสงใจไม่ใช่จับแสงตาแล้วก็ต้องขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าการเจริญกสิศในการทรงภาพกับศิลขอท่านทั้งหลายจงทําให้ได้ทั้งหลับตาและลืมตาให้มีความคล่องเสมอกันอย่าถือว่าหลับตาแล้วก็จานาญลืมตาใช้ไม่ได้ ว่าลืมตายชนานาญหลับตายใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ถูกเื่อความคล่องในกรสินจริงๆให้คล่องทั้งสองอย่างถึงแม้กรรมฐานทุกอย่างก็เหมือนกันหลับตายก็ได้ลืมตายก็ได้นึกขึ้นมาอะไรปรากฏภาพทันทีจะใช้ผลงานในทันทีนี่เป็นระยะตน้นต่อไปนนี้ก็มาคุยกันถึงว่ากสินนี่อย่าพึง เลื่อนเข้ามาสู่ระดับถ้าระดับถึงปฐมฌานกสินนี่เข้าถึงไมปฐมฌานนี่มีความแจ่มใสมากมีอารมณ์ทรงตัวเรื่องภาพกสินก็ภาพกสินเรื่องอารมณ์ก็อารมณ์คมฌานสมาบัตินี่เป็นเรื่องเขาอารมณ์ทรงตัวเมื่อภาพกสินแจ่มใสจงจําภาพกสินให้ดี ว่าภาพกรสินที่สร้างอารมณ์จิตดีระดับไหนภาพกระสินมันเป็นยังไงนีม่มีความจำเป็นสำหรับเมื่อภาพกระสินเป็นเบรไกลพลิกมีอารมณ์เข้าถึงปฐมฌานตอนนี้อารมณ์จิตของท่านจะมีความรู้สึกอย่อย่างหนึ่งคือจิตมันเริ่มแยกจากประสาท เขาบอกไว้ตัแต่ตอนต้นเลยว่าจิตเมื่อก้าวเข้าไปถึงปฐมฌานแล้วจิตมันเริ่มแยกแกะประสาทออกไปหมายความว่าเดิมทีเดียวที่เรามีความทรงจิตอยู่ตามปกติจิตไม่เกาะประสาทประสาทจะมีความสัมผัสอะไรอยู่ก็าตามจิตมั น, นยังเข้าไปรับรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นที่เวลาเราต้องการความสงบสงัด แต่ว่าเจ้าจิตตัวนี้มันได้ยินเสียงภายนอกมันยาวจิตเข้าไปเกาะเกิดความรำคาญในเสียงนี่สนแสดงว่าจิตไม่เกาบประสาทเต็มร้อยเปอร์เซนตอนนี้มาถึงเวลาที่จิตเข้าถึงปฐมฌานจิตก็เริ่มแยกแกประสาทมันแยกกันออกมาไม่มากนัก อย่าลืมว่าระยะก่อนเราฟังเสียงราคาญเสียงแล้วก็มีอารมณ์ฟุง้งมีอารมณ์ไม่ทรงตัวมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาบางทีทั้งทั้งที่ฟุ้งนีนเราก็ไม่รู้ว่าฟุง้งเพราะว่ามันคิดเพลินไปจนนานจึงก็ต้องเป็นปกติเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปมาตอนนี้อารมณ์ฟุ้งเริ่มลดตัวลง มันฟุ้งไม่กันแต่ฟุ้งภายนอกขณะที่เราไม่ควบคุมมันเวลาที่เราควบคุมมันมันจะไม่มีอาการฟุง้งนี่สนแสดงว่าจิตเริ่มมยี่ยมหน้าขึ้นไม่วันไหวตามระบบของประสาทท่านพูดอย่างภาษาไทยไๆทว่าจิตเริ่มแยกออกจากประสาทหรือว่าจิตเริ่มแยกออกจากกายเล็กน้อย ไม่มากนักแต่เพียงแยกออกเพียงว่าไม่ยอมรับเรื่องการพุ่งสั่งของอารมณ์และก็ไม่ยอมรับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาทั้งสดประสาทตอนนี้ภาพกระสินจะมีความงามมากสวยสดงดงามแปลว่าถ้าเราจะบังคับให้ภาพกสินเต็มพื้นอากาศทั้งหมดกระสินก็จะเป็นตามนั้นอยาบังคับให้เล็ก มันก็เล็กตามนั้นอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ข้านหน้าอยู่คนหลังเป็นไปได้คล่องทั้งหลับตาละลืมตาแล้วก็เริ่มหูไม่ลำคาญในเสียงขณะที่เราเล่นภาพกระสิงเขาเราอยู่นั้นหูไม่ลำคาญในเสียงเลยเสียงเออะโวยวายจอกแจกจอแจ้ที่ไหนก็ช่างไม่สนใจ เราเดินไปในระหว่างที่ชุมนุมชนมีเสียงดังจากคนมีเสียงดังจากวิทยุมีเสียงดังจากขยายเสียงเสียงกลบไปหมดฟังอะไรไม่เข้าใจไม่มีอะไรเป็นสาระประโยชน์แต่เราเองก็สามารถจะบรรคับภาพกระสินให้ทรงตัวได้ตามอธัธยาศัยมีความว่องไวคล่องแคล่วได้ตามเดิมเหมือนกับอยู่ในที่สงัด ในการบังคับภาพกระสิ น, นอยู่ในกลุ่คนเราจะต้องไม่หลับตาเพราะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หน้าลักษณะไหนก็ตามเราไม่หลับตาแต่บังคับให้ภาพกระสินปรากฏขึ้นมาได้ตามใจชอบเหมือนกับว่าเรามีเด็กเล็กๆที่ว่านอนสอนง่ายอันนี้จงจาไว้ยํำให้ดีแล้วก็ทำให้ได้ ที่พูดวันนี้พูดหมายความว่าเป็นพวกอาธิกรรมิกับบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เคยได้ชานสมาบัติอย่างนี้มาในชาติก่อนแต่สําหรับท่านที่เคยได้ชานสมาบัตประเภทนี้มาในชาติก่อนมันมาในชาติก่อนก็จับเข้าเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถจะส่งได้แล้วแต่ที่แนะนํานี่มาแนะนําหมายที่ว่าคนเริ่มต้น นึก ว, ว่าคนที่เริ่มต้นนี่ก็เหมือนกันถ้ามีจิตเข้มข้นจริงๆไม่มีความอะไรในชีวิตคิดว่าชีวิตร่างกายไม่มีความหมายความดีที่เราต้องการนี่มีความสําคัญกว่าก็ใช้เวลาไม่มากเหมือนกันที่ท่านทํำทำกันจริงๆไม่เห็นคมีใครบอกว่าถึงเดือนระดับนี้ท่านทํากันได้ไม่ถึงเดือนที่ท่านทํากันจริงๆ และสถานที่ที่ท่นานได้ก็ไม่ใช่ป่าชัดไม่ใช่ป่าสงัดผู้ที่อยู่ในป่าชัดผู้ที่อยู่ในป่าสงัดนั่นก็มีความจําเป็นไม่กันสําหรับคนที่ปฏิบัติในเบื้องตน้นแต่นักปฏิบัติที่ได้จริงๆแล้วอยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าสงัดดีแล้วเขาต้องกลับมาสู้กับคนต้องกลับมาสู้กับเสียงกลับมาสู้กับกิจการงานที่เราทําเป็นประจํา ถ้าว่าเรามีความเหน็ดเหนื่อยกับการงานที่มีการทําประจ <c oughs> ําหรือว่ามีความวุ่นวายอยู่ในเรื่องการงานเราทําไม่ได้นี่แสดงว่าจิตของเรายังไม่ทรงตัวอย่างนี้เขายังไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงกรสินต้องจําให้ดีนี่ตอนนี้จิตเราเมื่อเข้าปฐมวิชัยเข้ามาถึงเสียงอะไรจะมาก็ตาม เรื่องเสียงไม่มีความสําคัญเป็นเรื่องเล็กการเวลาก็ไม่มีความสําคัญสามารถจะทำเมื่อไรก็ได้บทอุจาระจะตายในบทอุจาระนี่มันหนักแล้วสามารถจะจับภาพประสิทินในทันทีเจ็บปวดเมื่อยจะตายวิ่งหนีสัตว์ไล่เหนื่อยแต่สามารถจะส่งภาพกระสินในทันที นี่ความคล่องตัวอย่างนี้เ็าฝึกกันเพื่อพิญญาสมาบัติแต่ถ้าว่าพิญญาสมาบัติต้องคล่องในกระสินทั้งสิบนี่เราเอาหนึ่งเท่านั้นเพราะพิญญาสมาบัติก็ฝึกยากกว่านี้มากเราวิ่งวิ่งอยู่นี่สามารถจับกระสินได้ทันทีทรงชานในตามระดับเป็น น, นว่าตอนนี้เป็นปฐมชานไม่ราคาญในเสียง สำหรับองค์แห่งปฐมวชารนี่ทั้กล่าวว่ามีองค์ห้าประการคือมีอารมณ์เนี่ยห้าประการด้วยกันได้กันหนึ่งวีตกสองวิจารสามปีติสี่สุขห้าเอกขตาวิตกหมายถึงการนึกตัวอารมณ์นึกที่จับภาพกสินอารมณ์ที่ทรงกสิน วิจารใคร่คนอู่ว่ากรสินที่เราสรงได้อยู่เวลานี้มันแจ่มใสาตามเดิมไหมเราสามารถเอาจิตเข้ามาควบคุมอารมณ์ได้ตามอธัธยาศาัยตามที่ต้องการเมื่ออย่างสมัยก่อนๆหรือเปล่านี่เป็นวิจารติมีความเอิบอิ่มใจมีจิตใจชุ่มชื่นไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะสรงกระสิน สุขวีอรมณ์สุขเยือกเย็นสุขนี้พัฒนาไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบวาธพัฒนาแบบไหนให้มันครบถ้วนตามที่อาการทรงอยู่มันสุขจริงๆสุขบอกไม่ถูกสุขมีความเยือกเย็นฉันสาเรียกว่าในชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราไม่เคยปรากฏกันเลยเอกคตาเมียรมทรงตัวเป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่สอดใส่อยู่ในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์ที่คุมกระสินเท่านั้ น, นมีบัตรมชานมีองค์ห้าอย่างเมื่อเราฝึกไปฝึกไปจิตใจมันก็ดีขึ้นตามลำดับนี่เข้าทุติยชานชานที่สองสำหรับชานที่สองนี่ตัดวีตกวีจารณ์คือตัวนึกโต้ให้ครวนเสียจะพักจิต พระสินเปิดภาพทันทีมีความแจ่มใส ย, ยิ่งขึ้นสวยสดงดงามแพร่พรามมากขึ้นอารมณ์นึกอารมณ์ค่าคนมันมีมีความจิตอิ่มทรงตัวทันทีอย่างนี้เป็นอาการคนชาิที่สองกำลับชานที่สองนี่มีความทรงตัวดีมาก เกษินมีความผ่องใสดีเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ภาพเกสินแปลว่าจิตใจชุ่มชื่นเอบอิ่มความมุ่นวายไม่มีเลยเนียความมุ่นวายเรื่องราวแสงเสีย ง, สยงแสงสีใดนๆนนก็ตามไม่มีจิตมีรมความเป็นความสุขมีอรมเป็นความสุขแล้วก็มีการทรงตัวไม่ได้อารมณ์นึก อารมณ์คิดไม่มีในตอนนั้นมีการตรงโตเฉยๆมีความอิ่มเอิบภาพกรสินดีขึ้นกำลังใจสบายกว่านี่เป็นอาการของฌานที่สองมาถึงสภาวะของฌานที่สามเมจิตทำดีเรื่อยๆไปอย่าไปเร่งรัดส่งได้ระดับไหนรักษาใจสบายๆอย่าให้มีตัวอยากเกิดขึ้น จงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตีกล่าวว่าส่วนสุดสองอย่างท่านท่านหลายจงอย่าเข้าไปแตะต้องนั่นก็คือหนึ่งอัตคิริมัธานิโยกการทรมานตนให้ลบากเปล่าใช้อารมณ์เครียดเกินไปเรียกว่าเร่งร้ายเกินไป ทำเวลาเดียวไม่พอเอาสองเวลาสามเวลานี่ไม่ว่าแต่ถ้าว่าเวลาหนึ่งหนึ่งอย่าให้มันมากพนะักต้องมีการพักผ่อพักผ่อนแล้วก็ทําได้ทุกอริยาบทเจนนั่งอยู่ก็สามารถทรงได้ตามนั้นเจนยืนอยู่ก็สามารถทรงได้สม่ําเสมอการเจนเดินหรือจะนอนทําได้เท่ากันหมด อิรยาบดั้งสีนี้ให้ทรงสมาธิทรงภาพขสิตได้เหมือนกันให้หมดหลับตาอยู่ลืมตาอยู่ทำได้เหมือนกันหมดนี่ก็ไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดทำได้เหมือนกันในการอย่างนี้มีความสำคัญเมื่อจิตมีความสุขขัน์สามีการทรงตัวดีขึ้นจิต ก, ก็ก้าวเข้าไปสู่ฌานที่สามเอง ตอนนี้บอกแล้วนี่บอกวันลงทางลัดยางแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจิตเพิงเข้ามาถึงปฐมฌานแล้วก็สบายในเมื่อจิตยังว่าวุ่นอยู่ในขณะคร่งขันขณิก า, า, า, า, า, าสมาธิอุปจารสมาธิตอนนี้น่ะเสียเวลามากเพราะว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์เดิมเหมือนกับพื้นที่มันเป็นป่ายอยู่เราจะทำไรทำนา ไปตัดต้นไม้ลงทีละต้นแล้วถอนต้นไม้จะต้นใหญ่เป็นท่อนเล็กๆจะลากเอาไปทิ้งในที่อื่นลองคิดดูว่ามันมีความลําบากยากแค้นเพียงใดตัดตัดต้นลากต้นลากจริงไปทิ้งแล้วก็ต้องมาขุดต่อต่อจะทิ้งไปแล้วมอขูขุดขึ้นมาได้แล้วก็ต้องลากต่อไปทิ้งกว่าจะได้พื้นนาแต่ละไร่ต้องใช้กําลังแรงงานเท่าไหร่ มันเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากยากแค่เพียงใดข้อนี้มีอุปมาชั้นใดก็เหมือนกับการฝึกกระสิงก็เช่นเดียวกันระยะเริ่มต้นแม้ก็แสนะลำบากพรากเริ่มเข้าถึงปถมฌานเหมือนกับนาที่เริ่มโดตต้นไม้ไปหมดแล้วไม่มีหลักไม่มีตอบินแค่ปรับพื้นที่ยกขันนาก็เป็นของยาก ตอนนี้จิตเมื่อทรงฌานที่สองได้เป็นปกติเมื่อทรงได้แค่ไหนเราพอใจแค่นั้นอย่าเบียดเบียนจิตอย่าเบียดเบียนกายมันจะเกิดโรคมันจะเกิดเป็นโรคประสาทจะบ้าจะหลังเพราะการปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยธรรมาไม่รับรอง็้ห้แนวทางที่จะบ้าเนี่ยบอกให้หลีกอยู่ตลอดเวลา เพื่ให้มีการพักผ่อนแบบส บ, สบายๆแย่เครื่องแยครื่เกินไปทําได้วันหลายๆครั้งคือทําแบบกระจุ่กระจิมทําเล็กทําน้อยครั้ ง, ง, บบ ง, ล, งละห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสาสิบนาทีตามเวลาที่กาหนดหรือว่าเอามากไม่ได้กําลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อย่าเราหยุดคุยแต่เพื่อนกําลังคุยรับฟังคําคุยของเพื่อนคําพูดของเพื่อน เราก็สามารถจะจับกระสินขึ้นมาแป๊บหนึ่งในขนาดเดียวกันนั่นเองสามารถทําได้ทันทีแล้วก็ไม่เสียเวลาที่ในการฟังเพื่อนรู้เรื่องของเพื่อนด้วยได้ภาพกระสินมาในตัวเสร็จอย่างนี้ควรจะทําให้เป็นปกติเพราะว่าการเจริญกระสินเพื่อสมาบัดแปดเพื่อการเป็นการทรงปฏิชมิทายาน เราจะได้รู้อะไรว่าเรื่องที่เขาคุยให้เราฟังนี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงมันจับกันไปในตัวเสร็จเขาบิดเบือนความจริงของเราหรือเปล่าแล้วลบิดเบือนความจริงจากเรื่องที่เขามาบอกเล่าหรือเปล่าแต่ากว่าเขาบิดเบือนเราก็รู้ว่าบิดเบือนเขาพูดตามความเป็นจริงเราก็รู้ว่าพูดตามความเป็นจริงแต่ก็ย่าลืมว่า ถ้าเรารู้ว่าเขาบิดเบือนแล้วกแกล้งทำเป็นไม่รู้เสียเออเออคาค่าอะไรไปถ้าเะาใหตกลงเรื่องที่สำคัญก็บอกว่ายัางไม่พร้อมเพียงแค่นี้อย่าไปค้านเขาทันทีทันใดมันจะมีภัยสาหรับตัวไม่มีความจําเป็นเราหาทางหลีกเลี่ยงในแบบสบายว่าถ้าเราไม่พร้อมที่ยางใครจะมาบังคับ ถ้าเขาเขินบังคับเราเราก็ชี้เหตุผลว่าไอ้เรื่องที่พูดนี่มันไม่จริงคนดีกเขาบอกเขาเล่าเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่ทราบมาก่อนแล้วแต่ว่าดีคุณรับฟังแล้วก็บอกมา น, นี่มัน ค, คล้ายๆกับความเป็นจริงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมาโกหกคุณไม่ได้เสแสร้งแกล้งมาแกล้งกล่าวถ้าไม่เรื่องจริงกาผิดพลาดไป แต่ความจริงข่าวที่คุณรับมาเนี่ยมันเคร่งขาดเราหาทางออกแบบนี้ซึ่งไม่ทำให้เขาเสียเราก็ไม่เสียประโยชน์เขาก็ไม่เสียหายไม่เสียชื่อเสียเสียงแต่ทั้งๆ ท, ที่เขาตั้งหน้าต่างตามายาโกหกเราเขาก็ยังมีความภูมิใจคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดมาจากที่อื่นแล้ว นี่ประโยชน์ในการที่ใช้สมาธิในขณะที่กำลังคุยกันมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็มาคุยกันที่ฌานที่สามเมื่อจิตมีกำลังทรง ต, รงตัวดีขึ้นก้าวเข้าไปสู่ฌานที่สามฌานที่สามนี่มีองค์สองเือตัดปีติหายไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาตอนนี้ลืมบอกไปนิดหนึ่ง ว่าสังเกตลมหายใจเขาออกไปด้วยพอจิตเริ่มเขาทิ้งชาตที่หนึ่งลมหายใจเขาออกรู้สึกว่าเบาตัวลงแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่มากแต่ว่ามันเบาลงพอเริ่มทิ้งชาติที่สองตัวเขาเบาลงมากคนที่จเจริญสมาธิจิตจะเป็นกระสินและไม่กระสินก็าตามเมื่อเข้าสู่ระดับนี้แล้วผิวพันจะมีอาการผ่องใส เิวพันยมียการทรงตัวดีนี่เป็นส่วนที่บรรดาท่านพุทบริษัทควรจะสนใจ <c oughs> ตอนนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจมี้วยความชุ่มชื่นอารมณ์เครียดภายในจิตไม่มีเมื่อถอนตัวมาจากฌานแล้วใจก็เป็นสุขความวุ่นวายของจิตมีน้อยเรียมโหโทโส เรื่องความรักความโลภความโรกรธความหลง <c oughs> ดูมนว่ามันจะหมดไปมันจะเกือบจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นจิตมีความรักอย่างเดียวคือรมสมาธิหรือว่าภาพกระสินตอนนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะมีมากท่านในกันที่ได้ฌานสมาบัติแต่ว่ามีความเข้าใจว่าตัวเป็นพระอริยเจ้า ต้องระวังระวังให้ดีอันนี้ต้องระมัดระวังก็ให้มากจงมีความรู้สึกว่าระดับที่เราสามธรรมนี่เป็นฌานโลกีแต่ว่าเรามันหนักแน่นมากถ้าเรามันท่งตัวมีอาการมัดจิตจิตมันทรงตัวหนักนน่นรู้สึกว่าเหมือนก็เรามี วัตถุ ก, ก้อนอใหญ่ๆเข้ามาทับไว้แล้วมากกอดไว้จิตมันไม่อยากจะเคลื่อนไหวอ <c oughs> าการอย่างนี้เป็นอาจารย์ของชันโลกีถ้าชันโลปุตระได้มีปั ส, สนายางคบเป็นพระเจ้ า, าอารมณ์หนักไม่มีมีแต่อารมณ์เบามีแต่อารมณ์โปรง่งสมาการสมาธิบแบบนี้ที่ท่านบอกว่าเหมือนเกัอาอหินมาทับยา หินที่ถ้ามันจะขึ้นมีขึ้นมาใหญ้าที่มันจะขึ้นมาได้เราหินทับไว้ก็ไม่ถือว่าหญ้าตายเป็นนิย่าถูกทับเพราะอาศัยความหนักของหินข้อ น, นี้มีประมาณชั้นใหลกิเลสรากเงาของกิเลสสามรายการคือโลภโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะ าการนักษาเนี่ยมันจะถูกกฎเกือบไม่มีความรู้สึกตอนนี้แหละที่มรรดาพระก็ดีหรือว่าชาวบ้านคนดีที่เราเรียกกันว่าประโยคาวาจรผู้ปฏิบัติตนเข้าถึงระยะนี้มีความรู้สึกว่าตัวท่านเองเป็นพระอริยเจ้าแต่ต้องมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แต่ก็โปดรดทราบเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้า ว่าพระอริยเจ้านี่เขาไม่มีอารมณ์ฟูมีแต่อารมณ์สงัดอารมณ์ฟุ้งไม่มีการอ้วดจะมีในระยะนี้เป็นสำคัญระยะที่ทรงที่เรียกว่าทรงชานโลกีแต่ที่พูดวันนี้ขอาวันดาทางพุทธบริษัททราบจงอย่าคิดว่าอัตมาเป็นการา แต่จงอย่าคิดว่าตมาเป็นพระอริยเจ้าตามที่เขาเล่าเลยกันจงมีความรู้สึกว่าคําสอนนี้เอาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมสอนแล้วกเก็บคําอธิบายจากครูบาอาจารย์บ้างเก็บผลที่จะเพิ่งได้รับจากการที่ปรากฏขึ้นได้มาจากท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงบ้างเท่านี้ มีความรู้สึกอย่างนี้อย่าไปรู้สึกว่าธรรมารไปผูดเศษจะมีความรู้สึกว่าธรรมาก็ามีสภาพเช่นเดียวกับท่านเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันต้องกินต้องล้งผผมผ้าห่มผ้าอาบน้ําเหมือนกันร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันและมีงานที่จะต้องทําวุ่นวายเหมือนกับท่านเป็นนั้นว่าธรรมารไม่ใช่ดีกวว่าท่าน อาตมาไม่ใช่พระวิเศวิโซอาตมาเป็นคนธรรมดายอย่างท่านเรือทดีไม่ดีก็ผิดธรรมดาไปนิดก็พูดมากคล้ายคนบ้าอาจจะผิดธรรมดาแจากท่านไปหน่อยหนึ่งนี่รลยเวลาสองนาทีเขามาพูดกันถึงชาทีสามชาทีสามเมื่อตัดปีตกตัดสุขเ็้นได้ขอโทษตัดปีติดเส้นได้เลี้วสุขกับเอกกตา ตอนนี้ภาพกระสินจะแจ่มใสใจจะทรงตัวอาการของทางลมให้ใจเขาออกรู้สึกว่าเบามากมีการสัมผัสน้อยอยจิตทรงตัวมากหูได้ยินเสียงภายนอกแววน้อยๆแม้แต่เสียงขยะเสียงก็ได้ยินเบามากตอนนี้ท่างกล่าวว่าจิตแยกจากกายห่างออกมา สำหรับทางกายที่เพิงสังเกตก็มีอาการเครียดเหมือนกับนั่งนั่งเหมือนกันั่งตึงเป็ง น, นั่ ง, ง, ง, น, งนอนอยืนเดินเหมือนกันเหมือนกับใครเขาเอาอะไรมามัดแลือมารัดไว้จนตึงกลายเป็นอาการกายเป็นปกติแ้่นั่นเป็นอารมณ์ของใจที่มันมีความรู้สึกขึ้นเพราะว่าจิตมีการทรงตัวในด้านสมาธิมาก ภาพกระสิงก็มีสภาพจแจ่มใสแฝงๆตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทกลายเครื่องการไหวใดๆทั้งหมดมันไม่อยากจะมีขึ้นสักนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่เก็บปากมากที่สุดที่ท่านนันหลายเคยพบพระระนักปฏิบัติท่านไม่อยากจะโทษ ก็เพราะจิตทรงเขาอยู่ตั้งระลับนี้ขึ้นไปถึงชา้นที่สี่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทําอะไรทั้งนั้นจิตมันทรงถึงแม้ว่าจะคลายถอนจากอารมณ์จากสินเดิมมาแล้วคลายมาสู่อารมณ์ปกติอารมณ์ชานตอนนี้มันก็ยังเกาะจิตอย่างเลวที่สุดมันก็ตั้งอยู่ในอุ บ, อบจาระนิมี้ชั้นสงูง อารมณ์มันทรงตัวแบบสบายๆการคลายจากอารมณ์ของสมาธิไม่มีตอนนี้นั่นเองกินใเก็บปา่าเก็บเสียงกันมากนะักแต่ความจริงคนทุกคนไม่อยากจะเก็บแต่กําลังสมาธิที่มันดีที่ระดับเกือบจะสงสุดที่ไม่เก็บตัวขึ้นมาเองสําหรับวันนี้ท่านพุทธบริษัทมองดูแลที่จํำตับจะแนะนำกันก็นกหมดไปแล้วก็ขอลาก่อน โปรได้รับฟังต่อไปในโอกาสหน้าข้อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ควรผ ล, ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาส น, นิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี